วิมุตติเป็นผลโดยเฉพาะอารหัตผลนั้นท่านมักแยกให้เห็นชัดเป็นสองด้านคือเป็นเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติคือความหลุดพ้นทางจิตแปลกันว่าความหลุดพ้นแห่งจิตหรือความหลุดพ้นด้วยกําลังจิตคือด้วยสมาธิหมายถึงภาวะจิตที่ประกอบด้วยสมาธิซึ่งกําราปรากะลงได้ทําให้หลุดพ้นจากกิเลสเครื่องผูกมัดทั้งหลาย ราคะในที่นี้และในบาหลีทั่วไปไม่มีความหมายแคบอย่างที่เข้าใจกันในภาษาไทยคือไม่ใช่เรื่องการเท่านั้นแต่หมายถึงความติดใจความใคร่ในอารมณ์ต่างๆทั้งรูปธรรมและนามธรรมเป็นวัยพ์ของตัณหาและกินความถึงโทสะด้วยเพราะโทสะก็คือแรงผลักที่เป็นปฏิกริยาของราคะนั่นเองปัญญาวิมุต คือความหลุดพ้นด้านปัญญาแปลกันว่าความหลุดพ้นด้วยปัญญาแต่ควรแปลว่าความหลุดพ้นแห่งปัญญาด้วยเพราะหมายถึงปัญญาบริสุทธิ์หรือความรู้ถูกต้องสมบูรณ์ไม่มีกิเลสบดบังหรือบิดเบือนซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้บรรลุอรหัตผลในเมื่อปัญญานั้นกำจัดอวิชชาได้แล้วทาให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องผูกมาทั้งปวงดังบาลีว่า เพราะสำรอกราคะได้จึงมีเจโตวิมุตตเพราะสำรอกอวิชชาได้จึงมีปัญญาวิมุตตอัตถกถาอธิบายว่าเจโตวิมุตตได้แก่ผลละสมาธิหรืออาราตผลลสมาธิหรืออาราตผลออตผลจิตหมายถึงสมาธิหรือจิตอันตั้งมั่นที่เป็นผลแห่งการสำเร็จเป็นพระอรหันต์และว่า ปัญญาวิมุตต์ได้แก่ผลละยานหรือผลละปัญญาหรืออาราตผลลยานหรืออาราตผลลปัญญาหมายถึงยานหรือปัญญาที่เป็นผลแห่งการสำเร็จเป็นพระอรหันต์ผู้บรรลุอาราตผลจะต้องได้เจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์นี้ครบทั้งสองอย่างทุกบุคคลคำทั้งสองนี้จึงมาคู่กันเสมอในข้อความที่กล่าวถึงการบรรลุอาราตผลดังบาลีว่า เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปจึงทำให้เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตตที่ไม่มีอาสวะในปัจจุบันนี้ทีเดียวเจโตวิมุตตเป็นผลของสมถะปัญญาวิมุตตเป็นผลของวิปัสสนาพระอัตถกถาจาร์กล่าวว่าคำคู่นี้แสดงให้เห็นว่าสมถะและวิปัสสนาจะต้องมาควบคู่กันแม้ในขั้นผล เช่นเดียวกับในขั้นมัลแม้ว่าสมถะที่ต้องการในที่นี้อาจจะเป็นเพียงสมถะในความหมายอย่าง ก, างกว้างคือสมาธิเท่าที่จาเป็นเท่านั้นไม่จาต้องเป็นสมถะที่ฝึกการเป็นงานเป็นการจนได้อภิญญาสมาบัติข้อนี้สมด้วยบาลีในอังกุตรนิกายทุกนิบาตว่าภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้เป็นวิชาพาคิยธรรมหมายถึงทำเป็นไปในส่วนแห่งวิชา หรือทำข้างฝ่ายวิ ช, ชาคือทำที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดวิชาได้แก่สมถะและวิปัสนาถามว่าสมถะเจริญแล้วจะได้ประโยชน์อะไรตอบว่าจิตจะได้รับการจเจริญถามว่าจิตจเจริญแล้วจะได้ประโยชน์อะไรตอบว่าละราคาได้ถามว่าวิปัสนาจเจริญแล้ว จะได้ประโยชน์อะไรตอบว่าปัญญาจะได้รับการเจริญถามว่าปัญญาเจริญแล้วจะได้ประโยชน์อะไรตอบว่าละอวิชชาได้ภิษุทั้งหลายจิตที่เศร้าหมองด้วยราคะย่อมไม่หลุดพ้นหรือปัญญาก็ดีที่เศร้าหมองด้วยอวิชชาย่อมเจริญไม่ได้ด้วยประการดังนี้เพราะสำรอกราคะได้ จึงมีเจโตวิมุตต์เพราะสำรอกอวิชชาได้จึงมีปัญญาวิมุตต์มีทั้งเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์มาด้วยกันครบสองอย่างจึงเป็นวิมุตต์ที่สมบูรณ์อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาให้ลึกลงไปย่อมเห็นละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกในบาลีท่านยกเอาการได้เจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์เป็นหลักอย่างหนึ่ง สำหรับแสดงความหมายของการเป็นพระอาหารหันต์เป็นเครื่องแสดงว่าพระอาหารหันตทุกท่านย่อมได้ทั้งเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์เจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์คู่กันของพระอาหารหันต์นี้จะมีคำว่าอนาสะวะคือไม่มีอาสะวะนำหน้าเสมอเช่นในคำว่าอนาสวังเจโตวิมุตติงปัญญาวิมุตติงแปลว่าทาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตต อันหาอาสวะมิได้เป็นตน้นอันหนึ่งมีข้อความในบาลีที่แสดงให้เห็นชัดว่าเจโตวิมุตติที่ต้องมาคู่กับปัญญาวิมุตติในการสำเร็จอรหัตผลนี้หมายถึงสมาธิเพียงเท่าที่จําเป็นสำหรับรองรับปัญญาที่ทำอาสวะให้สิน้นไม่จำต้องเป็นสมาธิในขั้นฌานสมาบัติคือไม่ใช่เจโตวิมุตติชนิดที่หมายถึงสมาบัติแปดอย่างที่จะกล่าวต่อไป หลักฐานนี้มีในปุตตสูตรอังกุตรนิกายจตุ ก, การนิบาทซึ่งกล่าวถึงสมณะบุญฑริกอันหมายถึงพระอรหันต์ผู้ได้เจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตสิ้นอาสวะแต่ไม่ได้วิโมกแปคือไม่ได้ฌานสมาบัติและนิโรธสมาบัติดังที่ทราบกันอยู่แล้วว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะบำเพ็ญแต่สมถะอย่างเดียวก็ได้และสมถะที่บำเพ็ญเช่นนั้น ย่อมสามารถได้เกิดสมาธิขั้นสูงถึงฌานสมาบัติซึ่งในภาวะเช่นนั้นกิเลสทั้งหลายย่อมสงบระงับไปเป็นการหลุดพ้นได้อย่างหนึ่งแต่หลุดพ้นได้เพียงชั่วคราวผู้บำเพ็ญสมถะจึงต้องก้าวต่อไปสู่วิปัสสนาคือจเจริญปัญญาด้วยจึงจะหลุดพ้นได้แท้จริงความข้อนี้ชี้ให้เห็นว่าเจโตวิมุตต์อาจมีได้ในกรณีอื่นแม้ที่ไม่ใช่เป็นการบรรลุมรรคผล แต่เจโตวิมุตต์ในกรณีเช่นนั้นย่อมจะไม่ใช่เจโตวิมุตต์ที่เด็ดขาดแน่นอนดังนั้นตัวตัดสินที่แท้จริงจึงได้แก่ปัญญาวิมุตต์ซึ่งทำลายอวิชชาลงไปโดยลำดับกําจัดกิเลสเด็ดขาดไปเป็นขั้นๆปัญญาวิมุตต์มาเมื่อใดก็หมายถึงวิมุตต์ที่เด็ดขาดแท้จริงเมื่อนั้นยิ่งมีคาว่าอนนาสวะประกอบด้วยก็หมายถึงวิมุตตขั้นสูงสุด ที่สมบูรณ์สิ้นเชิงแต่การที่ปัญญาวิมุตตมาควบคู่กับเจโตวิมุตตก็เพราะต้องอาศัยเจโตวิมุตตเป็นเครื่องเตรียมจิตให้พร้อมเท่านั้นเอง